มนโนสุดจริญทั้นการประพฤติสุจริตทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากไหนก็ศีลสมาธิและปัญญาหรือว่าทานศีลหรือภาวนาทันการประพฤติคุณงามความดีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะจริยาเหล่านี้ก็เพื่อสงเคราะห์ญาติทั้งหลายสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็เกื้อกูลต่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็าเรียกว่าจริยาสมประพฤติคุณธรรมข้อวัดนะเพื่อจะสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกแล้วก็เกื้อกูลต่อความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสังฆาวัตถุสี่ประการสงอนัตานติยาวาจาอัตเจริยาสมานาตต า, ตาแล้วก็ยังมีอธิฐานธรรมสประการสัจจาธิฐานอุปสมาธิฐานจาคาทิฐานแล้วก็ปัญญาทิฏฐานแล้วก็ยังมีอธิฐานธรรมสี่พุทธภูมิอีก4ประการเนี่ยนะอุ ม, มังคปัญญาอวัธนานหิตจริยา เรียกว่าพุทธภูมิอีก4ประการแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติอินรี่หหรือภละห้าเต็มไปด้วยเรี่ยวแรงและภละกำลังเนี่ยนะั้นท่านมีศรัทธานั่นแหละเป็นใหญ่มีศรัทธาเป็นใหญ่มีวิริยะเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นใหญ่ที่จะช่วยอ่นนะช่วยให้ตัวเองเนี่ยข้ามพ้นจากวัฏทุกข์จะได้ช่วยผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็จะต้องมีพละมีกาลังมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยนะ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 พระโพธิสัตว์เนี่ยนะทุกพระองค์ก็ต้องมีปฏิญญาอย่างที่ว่าปฏิญญาทั้งหมดก็เพื่อที่จ ะ, ะช่วยตัวเองให้ข้ามแล้วก็จะได้นําสัตว์ให้ข้ามเป็นต้นนะฮะเพราะนนั้สิ่งที่ท่านตรึกนั้นสิ่งที่ท่านคิดจึงที่เป็นความคิดที่เป็นไปกับกุศลทั้งหมดเห็นไหมความคิดของท่านจึงเป็นบาปเพื่อที่จะทําให้แทงตลอดโพธิญาณต่อไปในอนาคตเพราะว่ายโยนิโสเพราะเบื้องพื้นฐานเบื้องต้นของท่านเป็นผู้ที่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 ที่สำคัญมากก็คือบารมีทั้ง10บํบำเพ็ญอย่างไม่มีส่วนเหลือจนเต็มเตี่ยมและบริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อบอริบูรณ์อย่างนั้นเส้นทางของชีวิตของท่านก็เดินด้วยมงคลตลอดมา น, นะปฏิบัติตามแนวของมงคล38จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่ชาติใดที่ไปเกี่ยวข้องกับคนพาลชาตินั้นก็เปื้อนบาปมาบาปที่ไปคบกับคนพาลบาปอันนั้นก็เปื้อนมาถึงศาสนา ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเปื้อนมาถึงบางชาติพระองค์เคยฆ่าสัตว์กรตำเหล่านั้นก็ติดตามมาเล่นงานพระองค์ ต, ตอนเป็นพระพุทธเจ้านี่ะบางชาติพระองค์เคยไปส่อเสียดยุแยางตะแคงรั่วบาปอันนั้นก็ติดตามมาให้ผลแม้แต่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าวันบาปเลยละอย่างเช่นมิจฉาวาจาไปด่าพระอรหันต์เป็นต้นบาปเหล่านั้นก็ติดตามมาให้ผลจนเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั่นก็อาจจะมี บาปมาแทรกบ้างครั้งคราววิบากนะที่เกิดจากการเบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้พระองค์เจ็บป่วยบ้างเป็นครั้งคราวพันแต่ว่ารวมๆแล้วพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระคุณคู่ควรแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอาจจาะอกุศลให้ผลบ้างแต่ก็ชื่อว่าเล็กน้อยเนี่ยนะ เล็กน้อยแต่ว่าอกุศลให้ผลได้เฉพาะในส่วนของร่างกายอกุศลเหล่านั้นเบียดเบียนจิตใจของพระองค์ไม่ได้เลยอกุศลทั้งหลายเบียดเบียนศีลของพระองค์ไม่ได้อกุศลทั้งหลายเบียดเบียนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนิเบียดเบียนสัพพัญุตญาณของพระองค์ไม่ได้อกุศลเหล่านั้นไม่ได้สามารถที่จะเบียดเบียนกรุณาของพระองค์เลยอกุศลวิบากที่ให้ผลแก่พระองค์นั้นไม่ได้เบียดเบียนให้พระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยในการ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 หลังไหล ย, ยิ่งกว่าเนี่ยนะบุญเนี่ยนะถ้าถ้าเปรียบเหมือนกับเม็ฆฝนที่ตกลงมาในโลกบอกว่าบุญที่พระโพ ธ, ธิสัตว์เจริญกว่านั้นหลายล้านเท่านักเหมือนอย่างบุญบา ร, รมีที่เราเรียนรู้เนี่ยนะที่พบอยู่ในคัมภีร์บุญเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ทรงพระตรัยปิฎกท่านหนึ่งกล่าวว่าก็เหมือนกับถา่านน้าในภาชนะนั้นเองเหมือนกับน้ําในแก้วน้ําแก้วเดียวในจํานวนน้ําทะเลทั้งหมดเนี่ยนะหรือเหมือนกับอากาศท้องฟ้าที่เรามองเห็นก็เป็นอากาศที่น้อยนิด ถ้าเทียบกับอากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกที่เราอยู่นี่ถือว่าฝุ่นเป็นฝุ่นเล็กน้อยในจำนวนจั ก, กรวาลหรือกาแล็กซีเนี่ยนะโลกของเรานี่มันถ้ามองจากระดับใหญ่ๆมาเนี่ยมันฝุ่นชัดๆเลยนะมันนิดเดียวเนี่ยนะกลุ่มกล่มดวงดาวที่เราอยู่ดาวนโปเคระดวงนี้เนี่ยนิดเดียวจริงๆแต่ถ้าเรามองตัวเราเองในระดับโลก เรานี่มันแหม ม, ม, มันไม่รู้จักอะไรนะยิ่งกับอะตอมในโลกเองงั้นมันเล็กมากๆเลยนะนิดเดียวแต่ว่ากิเลสมันไม่ค่อยยอมแค่นั้นแะละนะกิเลสมันไม่ค่อยยอมอะที่สําคัญเนี่ยนิดเดียวจริงๆเลยนะมันถ้าเราท่องเที่ยวไปในโลกขับรถในโลกถ้าเราเห็นมดไต่มะม่วงนะแม้มดไต่มะม่วงมันยังใหญ่กว่าของเรานิดเดียวเลยนะนะเหมือนกับอะไรตัวอะไรตัวเล็กๆที่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนมาแค่นั้นเอง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 อัมลาไปเนี่ยนะพร ะ, พระองค์ก็จากไปพระองค์ทํากิจเหมือนกับอะไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับเมฆพระธรรมที่พระองค์สอนเหมือนกับน้ําฝนเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับน้ําฝนที่มาจากเมฆเมฆเหล่านั้นก็หายไปอันตรธานไปฉันใดพระพุทธเจ้าเมื่อบําเพ็ญพระพุทธกิจทั้งมวลก็เช่นนั้นพระองค์เช่นกับเมฆ ที่หลังน้ําฝนเนี่ยนะมันสาร菩萨ทั้งหลายได้ความสงบร่มเย็นพระองค์ก็สุขโตเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะไปเพื่อเพื่อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อบําเพ็ญกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ดับขันธ์ปรินิพานพูดถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศีพระองค์นั้นมีพระนครเป็นที่เกิดใชเชื่อว่าเมืองสุทัญญาพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตะพระ ชนนีผู้ธรรมดาพระนามว่าพระนางสุจันทาพระองค์ครองคาร ว, วัตวิสัยอยู่900าปีมีปราศาสตอยู่สหลังชื่อว่าสุนิมละแล้วก็วิมละและคริคูหามีพระสนมนารีที่แต่งกายงาม 30,000 ื่นหนะึ่งพนนาก็คือเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่คอยดูแลบํารุงอยูนั่นแนหะอัคราเหสีพระนามว่าพระนางวิมลาพระโอรสพระนามว่ า, า, ว า, า, วากัญ น, นาเวละ พระผู้เป็นอุดมบุรุษเนี่ยนะสูงสุดอารวาอคโคห์มัสเมพระผู้เป็นยอดของบุรุษอนนะนอุตมะบุรุษสูงสุดในบรรดาบุรุษ ท, ทุกทุกทุกโลกเนี่ยนะในสัตว์สองเท้าสัตว์สเท้าสัตว์ไม่มีเท้าตลอดจนถึงอรูปประพรมทั้งมวลเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นยอดของบุรุษเห็นนิมิตสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เสด็จออกพินิสกรมด้วยยานคือรถเนี่ยนะนั่งรถไปบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรหกเดือน นาะยลุงเรื่องนั่งอะไรไปบวชโอไม่ธรรมดาแลเนี่ยนังแอร์ภูเก็ตไปบวชเหมืนกัไปที่เดียวกันนะนะไม่รู้ผลลับจะเหมือนกันหรือเปล่าลุเรืองนะพระมหาวีระปิยทัศนศีมหามุนีเนี่ยน ะ, ะผู้มีโมเนยธรรมผู้ยิ่งใหญ่ในบรรดาผู้ที่มีโมเนยธรรมผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้ผู้สงบอันเท้ามหาพรหมาราธนาแล้ว พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรณอุสภราชอุทยามที่น่ารื่นรมพระปิยะทศีศาสดามีพระอักระสาวกชื่อว่าพระปาริตาและก็พระสัพพะทศีเนี่ยนะอักขรส า, าวกผู้เป็นมีปัญญารองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่า น, นั้นพุทธอุปถัมภ์นะคอยบำรงุงพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโสพิตาอักระสาวิกาชื่อว่าพระสุชาดาและก็พระธรรมทินนา พอพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นกัปุธะต้นกลุ่มอัคราอุปถากชื่อว่าสันทกะและธรรมิกะอัคราอุปทายิกาวิสาขาและธรรมะทินนาชื่อพ้องหลายๆท่านก็นชื่อคล้ายๆกับบุคคลในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้มีพระมหาบุริศลักษณะ32พระองค์นั้น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 ดำรงอยู่ในโลกเก้าหมืนปีเนี่ยนะมีพระชนมายุยืนมากเนี 90, ่ยนะเก้าหมืปีแม้พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งเทพก็มีพระชนมายุยืนเท่านั้นก็คื อ, อนะเศษสีส่วนห้านั่นเองอ่านะดำรงอยู่ในโลกเศษสี่ส่วนห้าของ9ก้า0มื่นปีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอก็ดี ผู้อัคราสาวกไม่มีผู้เปรียบได้เหล่านั้นก็ดีทั้งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้งมวลเหล่านั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พระปิยทัศน์วรมุนีก็คื อ, ค อ, คอพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธ ป, ปรินิพานหนาพระวิหารอัสอะตัธารามชินะสถูปเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้น นาวิหารนั้นก็สูงสามโย์แลเป็นพระาธาตุที่ใหญ่มากเนยนะในอัตถกถามัทุรฐวิลาสินีอัตถกถาพุทธวงศ์พนานนาขยายความเพิ่มเติมจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีองค์ที่สิบสามที่พยากรพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าของเราว่า ต่อจากสมัยพระสุชาติพุทธเจ้าในกัปหนึ่งถอยหลังจากนี้ไปในที่สุด 1,800 กัปนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3พระองค์ด้วยกันในกัปนั้นองค์ที่หนึ่งพระปิยะทะัศนีองค์ที่สองอัฏฐทะัศนีองค์ที่สพระนาวธรรมะทะัศนีในพระพุทธเจ้าสาพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยะทะัศนีทรงบำเพ็ญบารมีแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต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 ก็เลยอาศัยปาฏิหาริย์นิมิต32ประการซึ่งเป็นนิมิตเป็นที่รักแห่งโลกก็เลยเรียกพระองค์ว่าพระติยะทศีพระองค์ครองคารวาิวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปร า, าสาทสา3หลังสุนิมมละลวิมละลและคริปคิริภรหาพระองค์นั้นปรากฏสนมนารีผู้เป็นบริวารคอยดูแลบำรุง3ามหมื่นสามพันนางมีพระนางวิมลามหาเทวีเป็นประมุก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 มียอมคนหนึงเขามีลูกออกแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวชพอบวชอยู่นานไม่กี่วันอะก็ไปเห็นลูกแม่ไก่แม่ไก่มันพาลูกมันเดิน น, นะเขาบอกว่าโอไก่เนาะไก่มันยังเลี้ยงลูกมันได้เลยเรานี่เป็นคนสัเปล่าไม่เลี้ยงลูกคิดได้อย่างนี้สึกเลยเ น, น, นะ่นะพอได้อาจารย์ไก่บวชในศาสนาพุทธเจ้าแต่นับถือไก่ก็เลยเอาเยี่ยงยาง เอาเจริญเรอให้ตามไก่ก็เลยอดเลยครันนี่อย่างนี้ก็มีในโลกตกนะแตฝ่ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะออกมาหาพิเนสกรมด้วยรถเทียมมาผนวดเนี่ยนะนั่งรถเทียมมานะเรียกหลังนั่งรถมานึกไม่ออกก็ไปดูแถวลำปางก็แล้วกันไปดูที่เขาขิจจกูดก็ได้รถมาแต่มาของพระโพธิสัตว์คงสวยมากอนะไม่ใช่แบบมาเขาขิจจกูอะไรหรอก ตอนที่พระองค์พนวดนั้นก็มีบุรหนึ่งโกรธบวชตามถ้ามหาบุรุษอันชนโกรธหนึ่งแวดล้อมแล้วด้วยพระองค์นั้นเนี่ยบำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักษิธรรมเจริญส ม, มถาวรวิปัสนาอยู่หกเดือนไอคำว่าบำเพ็ญเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเล ย, เ น, ยนะไปดูในประธานสูตรสูตรที่พระองค์บำเพ็ญเพียรเนี่ยนะร่างกายจะเศร้ามอง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 เขาเป็นผู้เป็นพุทธเวไนคู่ควรที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยไปณนะที่นั้นทางอากาศลงที่อุสพาอุสภวดีราชอุทยานใกล้กรุงอุสภาวดีอันทิสุโกดหนึ่งแวดล้อมแล้วประกาศพระธรรมจักรครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้อริยศัสตร์ได้มีแก่ศัตร์ประมาณแสนโกดอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่หนึ่ง